โดยการถูกปรุงแต่งขึ้นเมื่อถูกปรงแต่งขึ้นก็เกิดประพาสสนผ่องใสนิรสีแต่เคยสงสัยนะอ่านที่บอกว่าจิตเป็นจิตเดิมแท้เนี่ยมันประพาสสนนะแล้วอยู่ๆมันก็มีจิตเดชเข้ามาจดเข้ามาไม่ไม่ไม่ที่เราไปอ่านว่าจิตเดิมแพ้ประพาสสนเนี่ยขึ้นข้อข้อความว่าเดิมแท้เนี่ย้มันมันไม่มีอยู่จริงคําว่าเดิมแท้นี่นะมันไม่มีอยู่จริง มีแต่บอกว่าผู้ทีเจ้าทรงตัดนะธรรมชาติของจิตของใสแต่ไม่ได้บอกว่าเดิมแท้มันจะเติมเข้ามาเดิมแท้เข้าไปเนาะไม่รู้ใครเติมเข้าไปมจจะใช้ิิตเดมเไม่รู้ใครเติมเข้ามาเดิมแท้เข้าไปผู้ทีเจ้าคงมีตัดคือถูกแปลออกมาแล้วว่าธรรมชาติของจิตของใสมันมาจากบาลีว่าจิตตังปภัสละอ่าปภัสละมีดังจิตตัง่เขาเว อะไรอาบาลีอาคันตุเกนีอาคันตุเกนีนั่นะรนี่อพะกิเลสสร้างอาคันตุเกอะไรประมาณนี้เศ้าหอมเพากิเลสนภาษาจำไม่ได้ภาษาจิที่บอกจิงจริงภาษาบาหลีจำไม่ได้คือคํามาเดิมแท้มันไม่มีอยู่ในบารลีนะเขามาเดิมแท้ันไม่มีจิงมันประพัดสอใช่มีแต่บอกว่าเป็นธรรมชาติกับพัดสอนแตเป็นรรมชาติใคเป็นธรรมชาติมันมันยังเป็นอนิจจามไหมอาจารย์ใช่ มันก็เป็นอนจจามันพพสอนก็ยังเป็นอนิจจาอยู่มันจงสามารถเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนไปเป็นตามเหตุตใจใช่เพราะนั้นอนิขาจะไหนไหมนะใช่อาจารย์ว่าถ้าจิตมันมีจริงมันอยู่ในสานะอะไรเนาะเป็นสาราตหรือเป็นสาระาสตร์เออถ้าถ้าสาระตรมันจะมาประกอบกับสาระตถ้าหากว่าจิตเดิมแท้เนี่ยเป็น สังขต่มันก็ต้องมีเที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาแล้วเมื่อเป็นทูกเป็นหน้าตาก็คือมันต้องเกิดต้องดับแล้วเดิมแท้มันอยู่ที่ไหนเมื่อมันเกิดมันดับหมายถึงว่าของเก่าดับไปของใหม่ถกิขึ้นมาแทนของต่อดับไปของใหม่เกิดขึ้นมาแทนมันจะมีของเดิมแท้มั้ยมันมีแต่ของใหม่ตลอดนั่นคือจิตอุกกรุงแต่งตลอดให้มีเกิดใหม่แล้วดับไปเกิดใหม่แล้วดับไปเกิดใหม่แล้วดับไปหากว่าจิตเดิมแท้มีอยู่โดยแบบอสังขารต่างอสังขารตานะ มันก็ต้องไม่ถูกอะไรปรุงแต่งใช่ใช่เลยนี่ยขาดตรงนี้แหละทีนี้เขาก็แยกขึ้นมาว่าเอ้าแล้วถ้าแล้วถ้ามันไม่ใช่อสังขาตัางแล้วมันจะเข้านิพพานที่เป็นอสังขาตัางได้ยังไงเพราะสิ่งที่เป็นอสังขตัางกับอสังขต่าเท่านั้นที่จะเข้าถึงกันได้เพราะสังขต่าเข้าถึงนิพพานไม่ได้เข้าไปก็ดักมันก็ได้ตีตรงนี้เนาะไม่ได้ตีไม่เกแคไม่ตีอะไม่ตีไม่ตีจิตไม่ได้เข้านิพพาน จิตดับเมื่อรัสัมผัสที่พ่านแล้วดับแล้วใครเข้าที่พ่านเนี่ย<อ>ต้องเก็บจาตักัตันารเข้าีา น, านเนี่ยต้องเก็บปาจาักตันนี่ไงก็อบอกว่าการบรรลุนี้มีอยู่แต่ผู้บรรลุหา ม, มีไม้เ <c oughs> มื่อกีต้ตรงนี้อไที่แลเปิปรชักเพื่อักไอยู่ไหนใช่ไหมเอออยู่ไหนเออใช่ไมดับตุ๊ตรไหนกันะจิตสัมผัสที่พ่านปั๊บดับ แน่นอนยืนยันจิตดับใช่ไม่มีข้งเขยและไม่มีข้างฝนใช่ดับขาววอนเลยดับขาววม่เคย ป, ปกติมันก็ดับขาววอนอยู่แล้วจิตดวงเก่าดับไปขาววออยู่แล้วจิตดวงใหม่เกิดเพื่อมาแทนจิตดวงเก่าดับไปจิตดวงใหม่เกิดเพื่อมาแทนจนไปถงึงอราหัตตมัคคจิตแล้วในวาล่าแห่งอลาหัตตมัคคจิตซึ่งเข้าสู่อนุ ป, ปาทิเสสานิพานนั่นคือดับรอบดับหมดไม่มีขันเหลือ ขันทั้งหมดดับหมดปับ๊บระบบความจิตหยุดทํางานปุ๊บจิตไม่ได้เขานิพพานนะหยุดตรงนั้นเลยดับตรงนั้นเลยแล้วส่วนนิพพานคือ น, นิพพานนี้ว่แล้วใค ร, ขรเข้าไปอยู่นั่นเห็นไหมใครเข้าไปอยู่เกิดคำถามขึ้นมาใครเข้าไปอยู่ใครเข้า <laughs> ไปอยู่เห็หมต้องรู้รู้เองแล้วก็รู้เองแล้วเออ ยังมแสดงแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่เหนือผลตรงนั้นมันไม่ใช่ดวผลที่ดวปกติธรรมดาที่เห็นผลผลนี่คือภาวะที่เกิดมาขนาดนั้วได้ได้รับการได้บรรลุแล้วมันก็มีผลที่จะไปสื่แต่ที่สื่อในตอนตัวสื่ต่อมันไม่มีแล้วมันจับไปละละละค่ะไปอยู่ในในพิภานเห็นไานตัวเนี้ยความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเมื่อยังไม่เห็นยังไม่เข้าถึงก็ต้องสงสัย ก็ยิ่สงสัยที่ต้องค้นหาใช่ไหมไม่ใช่สงสัยแล้วจะจะไปได้ยังไงต้องค้นหาพี่ต้องค้นหาพี่ไอตังสันตังเนี่ยอะไรเนี่ยยักษ์โทัมบางเนี่ยยิ่งบอกอะไรนะปัจจุบันก็ไม่มีอนนาคตก็ไม่มาปัจจัอ่างเช่นเจเจเขาบอกว่าทําใดแลไม่มีที่ภายในและที่ภายนอกเอที่ยนกไม่มีที่ลแล้วี่ลวงมาแล้วและที่ยังมาไม่ถึงอ เป็นทำความทั่วของใสไอ้ตรงนี้มันคืออะไรที่กําลังไปอยู่นี่ที่กำลังไปอยู่ความทัวของใสนไม่อะไรเอาแค่สนุปที่แค่แค่คาว่าทําใดแลไม่มีที่ภายในและที่ภายนอกตรงนี้เป็นอะไรไม่ไม่เป็นอะไรอะในคำสุดที่มันมีเส้นขั้นไหมถ้าว่าถ้าไม่มีเส้นขั้นแต่ว่าถ้าไม่มีใดใดในนอกมันไม่มีเส้นขันมันมีอะไรเป็นตัวตัวตั้งอยู่ไหมค่ากระตรงนั้นว่ามันไม่มีไม่มีที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นอะไร มันเป็นภาวะอะไรที่เกิดปัจจุบันก็ไม่ใช่อนาคตก็ไม่ใช่อดีตก็ไม่ใช่แล้วมันเป็นอะไรมันเป็นภาวะยังไงไม่ไม่ไม่เพราะนั้นเราตื่นเรากําลังตึกนึกถึงสภาพอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตและไม่ใช่ปัจจุบันเเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังตึกนึกถึงนึกถึงขึ้นนะครับเป็นคิดถีของเราที่จะเข้าไปยึดจับอะไรบางอย่าง ซึ่งพระทีเจ้าไม่ซึ่งพระทีเจ้าบอกว่ามมเมื่อรู้ทราบชัดว่าอาดีตคือสิ่งที่ล่วงไปแล้วออนาคตคือสิ่งที่ยั ง, งไม่เกิดขึ้นและยังมาไม่ถึง<ม>ปัจจุบันคือสิ่งที่กําลังจะดับทราบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้ว<ม>ย่อมรู้ชัดว่ารู้ชัดว่าฮะต้องรู้ชัดชัดว่าอะไรรชัดว่่าออะไเอา เมื่อรู้เมื่อรับทราบตามความเป็นจริงแล้วว่าอดีตคือสิ่งที่ร่วมไปแล้วนั่นหมายถึงว่าตัวตนในอดีตทั้งหมดตัวร่วมไปแล้วไม่มีอยู่แล้วอดีตกิเลสที่เคยเกิดขึ้นในคราวทั้งอดีตก็ดับไปหมดคือมันว่างเปล่าใช่ว่างเปล่าแต่ตัวตนว่างเปล่าแต่รู้สึกเพื่อย่างแต่ภาบ้างมันมีความว่างเปล่าความว่างเปล่าก็เกิดขึ้นในจิตใช่ไหมเมื่อความว่างเปล่าเกิดขึ้นในจิตผู้เจ้าตรัสอีกว่าถอนความเห็นว่าเป็นตนออกจากความว่างเปล่าเสีย อ๋อถ้างั้นนี่ยังเป็นยี่ห้อมาตัวตนต้องมีได้แต่เป็นควาวะร่างกายนี่ไงจึงจงเข้าไปถามถามว่ามันมีอะไรเนี่ยอไม่ยอมถอนตัวเพราะเป็นตัวตนออกใช่ห็นรู้เลยเพราะว่าตอนที่เราได้ภาวะเนี่ยคือมันร่างกายมันไม่มีอะไรไม่มีอดีตไม่มีน้ำเพรปัจจุบันมันมีความร่างกายเจาที่เราสงสัยเอ๊ะร่างกายแล้วอะไรไป็นอยู่ในภาในภาวะตัวนี้เกิดมันก็เลยหายเลยหาถอนความเห็นงาเป็นตนออกทั้งหมดอะไรมันจะมีธรรมชาติของมันขึ้นมาโดยความเข้าใจ อ๋อมันจะคือเป็นธรรมชาติถูกของภาว่ะมันเป็นธรรมชาติของมันใช่เป็นไม่ใช่เราอย่าไปแยกียกความตัวตนความอะไรเข้ามาแยกียกอย่ามันติดคําว่าตัวตนอน่าแยกแยกเหมืนใช่ให้อยู่ในภาวะของมันเรายัสร้างมันขึ้นมาอยู่สร้างขึ้นจับความเห็นของเราเนรที่เห็นว่าอดีตก็ไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันก็มีมีเลยเห็นแต่ความว่างก็เลยเป็นตัวตนอยู่ในความว่างโดยไม่รู้ตัว อใช่จริงๆก็สลุไปแล้วเนี่ยเพราะเขาถุแล้วว่าให้ผ่องใสปราศจากอารมณ์ต่างๆอันมันต้องให้ว่างเปล่าจากโกลสัมภาระที่เกิดขึ้นนะฮะมันมันเราเห็นได้ไอ้สังขารที่มันแต่นี่ไปคิดในเรื่องตรงนั้นไงใช่ใช่เราไปติงภาวะเขาไม่ไเขาไปยัดแม้แต่ความว่างก็ต้องถอนความเห็นว่าเป็นออกมาด้วย เป็นบ้างนนะั้นกอกมาด้วยถ้าถ้าไม่ไม่ถอนความเห็นออกมามันก็จะมีตนเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรก็ตามที่มีตนเข้าไปเกี่ยวข้อ ง, <ร>งก็ติดอีกติดขัดติดบ้างอีกต้องไปดูในสิงห์งวงศ์ทรงตัดขโมโพระราในดีเรื่องของบง้ผมไม่ได้ตัดอยู่เพียงแค่หยุดแค่ว่างนะผมบอกให้ถอนความเห็นออกด้วยความเห็นเนี่ยสําคัญอัตตาอัตตาไ่คิด มันลสิบกเป็นโมฆะรากมีดใช่ไหมโมฆะราตเลื่องะไรเนี่ยมนสิบหกอ่ะลบสองอ่าลบองปัญาพราีอ่ราหีสิเป็นทามโสลัสปัญหาปัญหานมันก็ไม่ต้องไปกาหนดหมายอะไรไม่ต้องไปสาคัญในอะไรเป็นอะไรทั้นสิ้นแม้นิพพานก็ไม่สาคัญว่าเป็นอะไรเข้าใจไหม พุทเจ้าจึงบอกว่าบุคคลรู้นิพพานแล้วย่อมไม่สําคัญนิพพานเป็นอะไรทั้งสิน้นมันไม่มีอะไรให้สําคัญอะไรก็มไม่มีตัวตวในใดๆถ้าถ้างาั้นถ้าคนที่ได้คำว่านี้แต่ยังติดคำติดตรงนี้อยู่ก็ยังไม่ถึงก็ยังไม่ใช่เป็นอริยบุคคลที่แม้จะเดเหตุนิพพานแล้วก็ตามถ้ายังสําคัญหมายในนิพพานนะก็ยังเป็นปหบุคลคลที่ยังเข้าใจนิพพานผิดยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์มีพระอรหันต์จำนวนเดียวที่ไม่เข้าใจนิพพานผิด จิตจะบริสุทธิ์แค่ไหนก็ตามเพบริสุทธิ์เป็นเรื่องของจิตแต่จิตบริสุทธิ์ไม่ได้เข้านิพพานจิตบริสุทธิ์จะดับเมื่ออนุ ป, ปาทิเสสันิพพานทำหน้าที่ของมันถึงที่สุดคือปริณิพันธ์ดับรอบแล้วชันก็ไม่เหลือชันก็ไม่เหลือจิตก็ไม่เหลือจิตก็ไม่เหลือจิตก็ไม่เหลือจะว่าไม่เหลือก็ไม่ให้ไม่สืบต่อไม่มีการสื่ต่อไม่มีการสื่อต่อ พอจิตไม่ันไม่เหลืออยู่แล้วาจิตตั้งแต่ตอนที่เราเกิดจนถึงทุกวันนี้ไม่มีเหลืออยู่แม้แต่สักขนาดหนึง่งมีแต่ตั ว, ตวใหม่ตัวใหม่ที่สื่อต่อมันเองใช่ไหมละ่ะ <จง S 1> แต่จิตที่เป็นส่วนผลเนี่ยพอถึงสุดท้ายแล้วจะดับตัวเองแต่จิตที่เป็นส่วนเหตุก็จะต่อไปสู่ภพจิตส่วนเหตุกั บ, กบจิตส่วนผลต่างกันออใช้คาไม่ถูกนะเพราะไม่เหลือไม่ถูกรองมันมันไม่มีเหตุสืิต่อไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อแต่ตัวจิตดับเราไม่เหลืออยู่แล้วโดยตัวข้างมัน กิเลสที่เกิดพร้อมกับขิดทานั้นก็ดับโดยไม่เหลืออยู่แล้วในตัวข้ามันกิเลสที่กําลังเกิดในเวลานี้ก็กําลังจะดับในเวลานี้โดยไม่เหลือเหมือนกันพร้อมกับจิตแต่เราไม่ได้เข้าไปรู้เข้าไปเห็นอาการที่เกิดนี้นาานและเห็นแล้วก็ไม่ได้ถอนความเป็นตนออกจากสิ่งเหล่านั้น<ท><า> โอไม่น่าที่เจ้าถึงให้มากแล้วยังงสสให้ได้ได้ทำตัวตนเยอะเลยนะอาจารย์อาตมาจึงบอกว่าความบ้านเนี่ยยังไม่ใช่ที่สุดของการปฏิบัติธรรมโอ้ยังไม่ใเป็นเพียงแค่พื้นฐานของการมองเห็นสิ่งที่เกิดและดับพื่อที่จะทําลายความเห็นผิดอืมอาอก็เป็นไปแค่พื้นฐานเองยังยังไม่ยังไม่ใช่ที่สุดมันเป็นเแค่พื้นฐานเป็นฐานแต่ละคนคับถ้าไปขึ้นกระดานจะเจ็บ เจาจะมนจะเห็นภาพชัดเจนกว่นี้แต่แต่ยังไม่ขึ้นหรอกวัเนี้ไม่ขึ้นขึ้นมาไหน อ, อาจารย์กมไม่ ไ, ไมึ้เยอะหรอกที่ถ้าได้ขึ้นกระดานมาไหนก็จะแจ้งอีกทีนึงอาจารย์ต้องเข้าใจผมผมผมอเข้าใจผมผมต<จ>ัวแค่อย่นี้แหละทำใดแลไม่มีที่ภายในและที่ภายนอกผมตัวแครนี่ก็รูมันไม่มีข้นขั้นไยไม่มีเส้นขั้นแต่ว่าถ้ายากมยนอกมันมีเส้นขั้นเราเราไม่ได้มองเป็นเ่้นขั้นนะมองเป็น สีนี้มันเป็นตัวตัวเทียมแล้วมันต้องยัดเทียคำว่าตัวตัวยัดเียอะไรสักอย่างให้มันต้องมีให้ได้มันมีหนตสองคนด้มันมีคยัยด้วยคุอาจารย์นะคะอย่างเรานั่งดูเนี่ยค่ะเราก็เห็นความว่างมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เห็นมีมีผู้ดูมีผู้ดูแล้วก็เห็นท่าเห็นเห็นขันนะคะมันเกอดดบด หูเราก็ได้ยินแล้วก็ อ, อกเป็นยใหญ่การรับรู้นนะคะหูก็ได้ยินเสียงนั่นเสียงนี่แต่ว่าในในในในภาวะในวันที่ ม, มีการปริแต่กไปมันก็จะเบาสบายเห็เห็นเินเห็ น, ใ ห, หนให้เห็นว่ามันเบสบายเห็นไหมว่าอาการแห่งความเบาสบายก็คือการปริแต่งอย่างหนึ่งก็เห็นต่อไปอย่างค่ะแต่ไม่ได้ไปรักนะถ้ามันเปิดตาข้าวปริแต่งไปตาข้าวว่าเข้ามาอิกแล้วจานสุดท้ายเราก็ ได้ทราบตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราเป็นเพียงแค่สายตาที่มองเห็นเป็นเพียงแค่หูได้ยินเสียงเป็นเพียงแค่จมูกดมกลิ่นเป็นเพียงแค่ลิ้นริ้มรดเป็นเพียงแค่การสัมผัสทางกายเป็นเพียงแค่อารมณ์ที่เกิดกับจิตเท่านั้นเองมันเป็นเพียงแค่สภาพธรรมแค่นี้เองมันเป็นเพียงแค่แค่เท่านี้แค่สายตาเห็นแค่หูได้ยินแค่จมูกดมกลิ่นแค่ลิ้นริมรดแค่กายสัมผัสแค่อารมณ์เกิดกับจิตภาษาอะไราว่าเราเห็นชัดนะ แต่ถ้าเราเห็นไม่ชัดมันไม่ใช่แค่สายตามองเห็นแค่นี้มันเป็นไปตามในสิ่งที่เห็นมันไม่แค่แค่ได้หูฟังเสียงปูงแต่งต่อจากสิ่งที่ได้ยินขอให้ได้เข้าหูเธอะคิดไปตากันทั้งหมดไม่ใช่แค่จมูกดมกลิ่นไม่ใช่แค่ลิ้นลิ้นลอกไม่ใช่การสัมผัสและไม่ใช่แค่อารมณ์เกิดกับใจไงถ้าเราไม่รู้ตามความเป็นจริง่ะ เราก็จะเห็นมันเป็นตัวเป็นตนเป็นจริ ง, เ ป, รงเป็นกลางเป็นอะไรต่างๆนานาที่จะกระทำต่อต่อมันไปสารพัดสารพัดอย่างเราจึงหาความสบุกไม่ได้หาความสมบูรในชีวิตไม่ได้เพราะมันสืบต่อต่อเมื่อเราจับมันไม่ทันแล้วมันจะเป็นอย่างเนี้ยเราเลยมองเป็นตัวตนถูกพระเจ้าสอนการดูการเกิดดับนั่นคือสอนให้เห็นช่วงรอยต่อระหว่างสิ่งหนึ่งดับไปและสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นมาใหม่แล้วเมื่อเห็นตรงนั้นมันจะทําลายรอยต่อ ข<ล> <ผม S 1> องความเชื่อมต่อของสันติเราไม่เห็นรอยต่ออ่ะเมื่อทำลายรอยต่อตรงนี้ได้ปักเนี่ยมันก็ยุติการสื่อต่อพรบเพราะมันรู้ความ ร, รู้เนี่ยมันก็จะทละลายความไม่รู้ที่มันบังอยู่ยเราเห็นเกิดดับก็จริงแต่อะไรต่อกำลังดับกับเราไม่เห็น อ, อันเนี้ยประคอาใจที่ผูกนะมาใจแล้วอย่ ง, อยงคืนคืนก่อนแน่นโยมก็นอกนั้นรู้ผิดพระรัตนใจเสร็จแล้วก็มันจะเกิด ความสงบแบบเข้ามาประท้าเลยนะคะแล้วก็มันมันจิตมันจะนิ่งแล้วก็ตั้งมั่นพอมันจิตมันตั้งมั่นแล้วนิยมก็พิจารณาอะไรก็เห็นก็ดูนั้นแปลว่าเหการเกิดจากอะไรนะคะแต่นิยมไม่ได้ทําต่อมันเกิดกลุ่แต่งขึ้นมาว่าอเห็นเห็นว่ามันกลุ่มแต่เกิดชั้นตายไปตอนนี้หลับก็เลยหยุดอยู่แค่นั้น ไม่ไม่ไมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่จิตมันตื่นอะค่ะอ่นตุ๊บตุ๊บตตุางคืนเลยอ๋อไปตั้งคาถามกับตัวเองขึ้นมาต้อกร็ดีการตั้งคาถามกับตัวเองขึ้นมาก็ดีนะมันจะได้มันจะได้กระตุ้นและหาคำตอบในตัวมันจะได้พ้นผ่านอ๋อจะต้องหาคาตอบก็ตายตอนนี้ดวงตายแล้วตายไปไหนตายไปไหนไปสวรรค์ แต่ว่าเออยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมจะตายยังไม่พร้อมจะตายนี่คือคำตออนาคตอนาคตนี่ไม่แน่ตอนนี้พานก็นิพานเถอะแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมพาระที่จต้องให้ดูแลแต่แต่ว่าก็สามารถประคองผิดให้มันนิ่ง ที่ได้ในระดับนและมีคำหนึ่งที่โยมลงแต่นั้นพระมาราจที่นั่งในรถคถึงคุยไปที่ไหนอ๋อตัวนี้ที่จะมาสารอบที่จะมถารน้องนั่นสามรอบกี่เดทสาหรอบกี่รอบใหนบ้างเหมนพวกบางสามรอบที่จะถามเธอต่มาควงได้กิเดทใช่มันคุยกันเลมาคุยกันเรื่องว่ามไปเจอคำสอนของโคเอนจาท่านปรัปฏิบัติธรรมวิ่ลึกไปลไปมันจะเก่งมันจะที่มันเป็น นี่มันจะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาถ้าเราเราก็สุ่มไปด่าไปดูถิบไปทำอะไรไปหรือหมอเนี่ยคือการสํารล่อดังนั้นเขาจะอ๋สํารล่ออ๋มันขึ้นอย่างนี้เองเหมือนที่เราเคยเห็นเนี่ยจิตไอ้ที่มันเราคิดว่ามันจะมีมันเดินเหมือนกับนางงามเดินเลยจากตอนที่ได้สภาบ้านะเดินเกิดกลับเกิดกลับให้เราเห็นอ๋อไอ้ตัวนี้มันตัวนี้เอ้ตัวนี้มันเกิดอะไระคับเกิดอะไรแบบยาวนะโว้สัตวดานโกเมรีถึงขนาดนี้หนุนแล้วมากขนาาเลย อะไรที่เราไม่คิดว่ามันจะมีมันมีเกิดขึ้นนะนั่นคือตัวอนุสัยกิเลสเอ้ยที่โผล่มาเอ้ี่ผม่มาเป็นอนุสัยกิเลสบอกว่ามันมีถึงขนาดเยอะวมากขนาดนี้เยมันปุ่นๆใจแล้วปฏิบัติยังไงต่อแล้วยอมก็สรมันเกิดตามกิดแบบก็เลยออกมาไม่ได้ทาไงทำอะรมันเยอะแยย่านี้คไม่เอาคว่าคุณเไม่ดักเห็นเลยมันเกิดดับมันยัมัน control นางๆมนนานเดินโชว์ให้เห็นรเป่าฉันเป็นอย่างนี้นะฉันเป็นอย่างนี้นะฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ไม่แล้ว แล้วสุดท้ายไม่ได้คําตออไม่ได้ทาต่อมันไม่มีครูบาอาจารย์ไม่โดนไปถามใครเพราะว่าตอนแล้วตอนนั้นปฏิบัติในแนวไหนดูจิตยันอยูไม่ใครได้ยามาจากใครได้มาจากท่านอาจารย์บามโบนี่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีวิธีการต่อไม่มีการต่อเราไม่ได้ถามเห็นไหมมันก็ไปชนะกันอยู่ตรงนี้ชนะอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้ต่อมันไม่มีใครบอกว่าควรจะทํำยังไงต่อถามถามว่าเนี่ย ไม่ตอนนี้รู้แล้วมั่งนี่ตอนนี้น่าจะรู้แล้วมั่งรู้ก็เร็วๆสิรู้มาอันนี้ยังไม่ทราบวิธีค่ะวิธีการยังไม่ทราบว่าทํายังไงต่อทำยังไงต่อเอ้านึกว่าเข้าใจแล้วยยุตแค่ตรงนั้นก็ยุติตอนนี้รู้รู้อะไรบ้งอย่างนี้ต้องทํายังไงต่อคือการถามเหตุผลก็ยอมรับเปิดจุดใอยมันเกิดแล้วต้องให้มันเกิดขึ้นมาให้หมดออกมาให้หมดเหมือนที่อาจารย์มาเคยอธิบายบอกว่า พี่มันอยู่ในในเนี้ยไ<ห>ตยที่ไตออกมาปล่อยให้ออกมาที่หมดมองดูมันมองดูให้มันออกมาที่หมดแม้จะเป็นความรู้สึกที่เรายอมรับไม่ได้ก็ตามแต่ให้รู้เลยว่านั่นแหละคือตัวตนที่แท้จริงของเราปล่อยให้มันออกมาใหนเห็นตัวตนของตัวเองเมื่อเห็นไปมากเข้าตัวตนของเราท<ร>ี<ม>่ถูกเห็นมันจะถูกใช่มันเร็วเร็วเร็วเร็วเห็นความเขาว่าคนที่เห็นความเร็วของตัวเองคือคนที่ประเผยที่สุด คนที่เห็นความจริงคนลูกคนก่ลนคนนึงมันเป็นไปไม่ออกมาเป็นขั้่นที่สองแล้วไมมันมันจะออกมาสขาะที่ทําตัวธรรมชาติข้างมันเนี่ยบางคนบางคนยอมรับตัวเองไม่ได้เกิดบ้าขึ้นมาเพราะตรงเนี้ยไม่เข้าใจหลักการนี้ไปเห็นอะไรต่างๆนานาที่มันหมักหมมไม่รู้กี่พบกี่ชาติในจิตที่แสดงแสดงออกมาออ โยมได้สภาวะนิจจังอาจารย์เตุอนิจจังีสังขารที่งอกข้างในมันเป็นอนิจจังเสร็จแล้วโยมก็มานั่งนั่งสมาธิในห้องพักนั่งก็ดูจิตดูอนิจจังแล้วปรกขึ้นมาเลยขึ้นมาให้เห็นอย่างนี้แล้วเราก็ดูขงนางเหมือนกันนะยาวนานมันบูมากถึงขนาดนี้เลยเปนสั่นนะอาจารย์สั่นเร็วมากเริจริงบอกวัการแล้วว่าให้ยอมรับมะแล้วก็เนาะแกไป่างนี้แหละดูต้องปล่อยให้มันออกมาที่หมด แล้วก็ยอมรับแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องกําหนดรู้ว่าอันี้คือวัตตนี่คือภพชาตินี่คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในจิตถ้ามันไม่ปรากฏตัวขึ้นมาให้รู้เราก็จะไม่รู้จักมันสัทีการที่มันปรากฏตัวขึ้นมาให้รู้นั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในใจเรามันมีเรื่องทุ่มพึงเราวันอีกมากมายเราจะได้สังวรสํารวมแล้วก็จะแก้ไขสิ่งที่มันเกิดขึ้นปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันเกิดอยู่เรื่อยๆพอปล่อยออกมาเดี๋ยวมันหมดมันหมดมันมีหมดท ถ้าเราปล่อยออกมามันจะหมดเพราะมันถูกรู้ไงอะไรก็ตามที่ถูกรู้มันจะดับตัวเข้ามันไปแต่ละอันกันอันอันนี้เขาเรียกว่าล้างระบบภูมิชาดิจิตทีนี้ไม่ยอมไม่ยอมล้างเลยยังเก็บไปยังเก็บไปกูเลยกูเลีวไดขนาดนี้เหรอใช่กูว่าจะเป็นจะเลวเหมือนเด็กที่มันกางออกขึ้นมากลัว ม, มากออริจันอาริจังซึ่งเป็นยาในการพิจารณาขนาดนั้นกําลังเข้าไปล้างระบบดิจิตแต่จนอความเป็นอาริจังเสื่อม หมดหมดอดหมดกำลังลงอันนี้ก็หายไปไม่ได้ถูกล้างก็ยังถูกรองสัจจานิยมไทยในอีกเหมือนเดิมก็ยังรองเหมือนเดิมใช่นีกลัวจะถูกข้อบงมด้วยไอ้ผูดให้เห็น่อได้และไม่ไม่มันไม่ครอบงำเพรอะมันมีกำลังของอานิจจําดูอยู่เขากลวอยู่แมันกำลังของอตรลักษณมันกำหนดรู้อยู่อืถ้ากลัวก็คือก็ไม่ผ่านเนี่ยมันก็ไม่ผ่านเนี่ยประเด็นตรงนี้นี่เองเรนจะไม่มาซ้าให้เห็นแบบนี้ ไม่มันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วมีมีเหตุอีกมันจะล้างทั้งหมดเลยล้างแล้วก็หมดเลยล้างภบล้างชาติด้วยอกรณีของใช่แต่ทีทนี้หลายคนที่เป็นอย่างนี้แล้วไม่เข้าใจกิจตัวเองทําไมมันเร็วอย่างนี้ทาไมมันชั่วอย่างนี้ทําไมมันรับตัวเองไม่ได้ยอมรับตัวเองไม่ได้บางคนเป็นบ้ามีวิปราช<ม>าขึ้นมาเพราะตั้งอย่างเงี้ยใช่มันมีหมดทุกเรื่องทุกอารมณ์อิจฉาลิสยยาขี้น้อยใจ อารมณ์ท so ี่น่าละอายสิ่งเรื่องที่มันไม่น่ากระทําสิ่งที่มันอะไรทั้งหมดมันจะออกมาหมดเลยใช่ด่าเป็นแหลกลากไปไม่มีบอกเลยที่เราไม่ได้เป็นนะมันเป็นที่มันออกมาปรากฏเลยใช่คือตอนนี้อะไรมันเป็นถ้าเถิดกันมันออกมาเราทำมาที่งใช้ภาษาว่าเป็นการถ่ายเทอารมณ์การถ่ายเทอารมณ์คือคือมันมันมันมันถ่ายเทผ่านความคิดถ่ายเทผ่านขันทั้งหมดใช่แต่เราไม่เข้าใจเมื่อเราไม่เข้าใจเราก็เลยเป็นติดอยู่กับว่า ทำไมเราเป็นขนาดนี้นปฏิบัติธรรมแค่ที่จิตเราจ ะ, จะดีแล้วเราจะไปถามใครันจะพูดให้ใครฟังแล้วลแลวมองเห็นคือในลครหลังจากตรงนี้มาตาจบนะ<ม>จิตอิจฉามันขึ้นมาเยอะมากเราจะมองเห็นเหมือนมีอิจฉาทุกคนไม่ไม่ใครจะใครอิจฉาหมดก็บอกโอ้ยนี่าตนนิมัมันจะเป็น โ, โรคตัวอิจฉาเลยอิจฉาคนไปทั่วแล้วนะนต้องมีสมันมีทุกดวงกินทุกดวงเป็นอย่างนี้หมดทุกดวงเป็นอย่างนี้หมดแล้ว ดาผ้าดาเจ้าาุุเจ้าใช่ไหมแเราก็นับือเนไอ้ที่นักถือนับถไปที่ดาแล้ดาไปเรบอกเ่ถ้ามันเกิดอะไรของมันสน่ยจนถ้าเกิดว่า้าเป็นประเทศอะไรนะประเทศไอ้คนนับถือศาสนาอะไรนะศาสนาพระเจ้ามันก็ไปดาที่พระเจ้าดาผ้าสงสารไปร่วมเกิดแ้วเราจสั้งูมปาเป็นกูมิปัญญจับใจจนกระใจนะุณจดกใจแต่ของข้างเก่ามัก็มงอยู่เนี่ยไหวค้าอย่ดีแต่ก็พึ่งนมาด้าเนี่ยใช่แล้วเนาะ มันมีของมันนะไอ้เรื่องมันกําลังล้างภพล้างชาติออกใช่โอ้ตรงเนี้ยกําลังมันเป็นอยู่ลังจางการตายระรักที่เกิดจากการพิจารณาของเรามันกําลังเข้าไปทำลายทำลายภพชาติมันจะไล่มันเหมือนกับน้ํำเอาน้ําสะอาดที่จะเข้าไปล้างความสกปรกมันก็ต้องขัดสกปรกออกแต่เราไม่ยอมรับความสกปรกที่กําลังสกปรกก่อกลาย กลัวเชื้อโรคหรือกลัวอะไรก็กลัวทำไมก็อยู่ในจิตตัวเองแค่แท้นะประมาณนี้เลยไม่ไม่ทําความสะอาดต่อเนี่ยไม่ได้อันนี้ถือว่ารักษาภ้าเพราะตัวเองเป็นคนดีไงใช่ถือว่รักษาผาก็ก็เป็นคนดีใรักษาตัวเองว่าดีภายนอกแต่ในในซึ่งไม่ซึ่งไม่ได้ถูกทํำลายล้างออกตัวเนียเจ็บประคุมจริงจริงจริงจถ้ามีปูบายด้านที่ดีป่านนี้ล้างได้หมดแล้วไปที่ทัน ป่าพระอาจารย์คะอย่างกรณีนี้เป็นอนิจจังที่ร้านเละนะคะแล้วก็เป็นทุกขังกับอนัตตาก็จะมันจะอยู่ในนั้นอยู่ในอนิจจังหมดเลยถ้าเราพูดถึงไตรลักษณ์มันเป็นเพียงแค่ลักษณะที่แสดงออกแต่ตัวแท้ๆจริงคือจริงก็คือตัวนั่นแหละจะเรียกว่าอนิจจังก็ได้จะเรียกว่าทุขังก็ได้จะเรียกว่าอนัตตาก็ได้แต่คือความจริงที่เราได้พิจารณาเข้าไปรู้ไปเห็นแล้วอันความรู้นั้น่ะ อันความรู้ในอนิจจังผู้ขังอนัตตาความรู้นั่นน่ะคือตัวที่จะเข้าไปล้างในจิตพอมันจะมันจะดึงเรื่องออกมาทําลายล้างด้วยอันระบบความอนิจจังแต่ทีนี้ไม่เข้าใจตนเองที่น่ะอนิจจังแต่ไม่เข้าใจอารมณ์อันเป็นอนิจจังมันไม่ไดใครสอนเลยเนาะเวลาคุยให้ฟังเนี่ยผมเนี่ยโอ้ได้เลยเยอะแยะเนาะทำไมันไม่ต่อไม่ได้ต่อรักษาผ้า ไม่ใชเขาเเป็นคนดีอ่ะใช่ไหเป็นคนมัไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นทางนี้แหละถ้าเราเขาเรียกว่าความแยบคายไม่เพียงพอใช่คือยนต์โซไม่ดีใช่ความแยบคายไม่พอมันไม่มีอะไรเข้าไปอธิบายตอนที่จิตเกิดอาการอย่างนั้นอ่ะมันไม่มีความรู้ไปอธิบายให้จิตได้เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นอะไรเป็นแบบไหนควรจะทํายังไงต่อเออแล้วมันต้องมาดานั้นด้วยเนาะใช่มันก็มี มันก็เป็นปัญญารอบรู้วันนี้ไม่ใช่เชื่ออะไรง่ายๆครับมันมันถึงจะพอต่อการตต่สรู้ได้ถ้าปัญญาไม่พอก็มันไม่เพียงพอต่อการตต่สรู้มันก็ไม่รู้มันเป็นความจริงอยู่แล้วว่าปัญญาไม่พอก็รู้ไม่ถักไม่ได้ครับก็แค่นั้นถ้าปัญญาพอมันก็รู้มันก็จับผ่านตัวนี้ไปได้คนที่ผ่านไปได้ก็จะบอกได้ว่าจริงๆควรจะต้องมีเจริญการก่อนเพราะคนที่ผ่านไปได้เขาผ่านไปได้ด้วยวิธีการไหนจะรู้ไว้ว่าสภาพจิตอย่างเงี้ยเป็นยังไงทีนี้ อย่างนี้งคือพอเห็นได้ภาวะอนุตาปุ๊นี้เห็นทุกอย่างมันว่างตาตัวตนไม่มีจิตมันว่างจิตมันโตว่างไม่มีรู้ว่าจิตตัวเองตอเนี้กิเ็นไม่มีมันว่างเ่ามันมีความว่างอยู่ในนั้นมันก็รู้ว่าจิตมันมีความสุบมันเดาจิตมันดามันไม่มีตัวตนไม่มีอะไรและตัวอิจฉาก็เป็นคือกิเลสทุกตัวไม่มีในจิตตนั้นแต่มันก็เป็นภาวะที่เกิดแค่เป็นชั่วคาบเหมือนที่พระเจ้าเปลี่ยนกับมูแรกนี้ จะเห็นแป๊บหนึ่งก็สักพู่มันก็หายเรื่อยๆแต่พาวะที่ยอยู่นั้นก็คืออนิจจังมันเห็นภาพหน้าไปต้องไปเจริญอนิจจสัญญาขึ้นเยอะๆต้อง อ, อนิจจังยังรื้อทิ้ ง, งให้หมดอต้องพินาศอนิจจังให้เยอะๆเห็นจะทั้ตัวเองแปลงได้ใช่จิตจิตถ้าไม่ผ่านตรงนี้จะไม่ถึงการสัสรู้ต้องผ่านตรงนี้แล้วเขาม่เชื่ออะไรง่ายแต่ถ้าผ่านแล้วถ้าไม่ ร่วงก้าวร่วมให้พ้นด้วยปัญญาแทนตลอดด้วยทิฏฐิอันเห็นชอบกอติดอีกต้องก้าวร่วมแทนตลอดด้วยทิฏฐิอันเห็นชอบทิฏฐิอันเห็นชอบเพื่ออะไรเห็นว่านี่ทุกนี้เห็นที่เกิดทุกนี้ความดับไปของทุกนี่ทางปฏิบัติเพื่อที่จะเข้าไป ด, ดับทุกเนี่ยโดยแทนตลอดด้วยทิฏฐิอันชอบออแล้วไอเห็นที่เกิดทุกนี่พอรู้อยู่อย่างที่ปาคนไม่เห็นนะแล้วการดับเหตุใช่ดับทุกเหตุใการดับทุก ต้องเจริญอนิจะสัญญาให้เยอะๆแล้วมันจะดึงพวกนี้ออกมาอีกมาล้างเริ่มใหม่ดึงออกมาล้างเหมือนกับเราเก็บของออกมาล้างล้างทาความสะอาดนี่ไปยอมล้างอุณหภิได้เราย่ลย้างแล้วซุปไปดีเหมือนเดิมซุปไม่เหมอไม่อยากจะเจอเลยว่าตัวตนชัดๆนี้ของเราไม่อยากจะเห็นมันไม่อยากปิดมันไว้ปิดมันไว้ปิดมันไว้หาเรื่องมาปิดหาสมถะมาปิดหา อันนั้นมาปิดหาอันนี้มาปิดเห็นไหมมันมันปิดไว้การที่มันเปิดออกมามันถูกแล้วที่เราจะได้รู้ ส, สิ่งที่มันมีอยู่ในจิตว่าโอ้โหมันอยู่ในจิตเรามาตั้ ง, งนมนตั้งนานเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็ น, หนตอนนี้เราได้รู้ได้เห็นมันแล้วก็นั่นคือสิ่งที่ท<น>ดีแล้วที่เราได้รู้ได้เห็นรู้ว่ามีโจนอยู่ในบ้านมันดีแล้วรู้ว่ามีงูพิษอาศัยอยู่ที่ในที่นอนของตัวเองนั้นมันดีแล้วใช่ไหมจะได้เกิดการระบายไล่มันออกไปไล่ อันนี้ปิดมันไว้บวกมันไว้ไม่ไอยู่ด้วยกันนาะด <laughs> <laughs> น, นี้คือการปฏิบัติจริงจะเป็นอย่างนี้จะเกิด อ, อย่างนี้ที่เราออมานี่คือ ค, ความจริงนั้นนักภาวนาต้องเป็นอย่างนี้นะแต่เพียงแค่ว่าเก้าไม่ผ่านเท่านั้นเองกญญได้ไหม่เคยได้ดข้อมูลแบบนี้ท่านสานเหมือนตอนน้ที่เป็นเป็นนี่ก<ม>็เป็นแล้วก็ให้ท่านอาจารย์แก้ให้ตอนนี้เกิดบ้าัเ ล่าสุดเยละรู้ประมา้นเมันออกมรััองแล้วมันรับใช่ไอ้ยอมรับตัวเองไม่ได้ไอ้ตัวเนี้ยไม่คิดว่าจงเร็วมากเลยถึงขนาดเลยอันนี้คือดาวหลายภาหลค่าโอหลายหลายชั้เเป็นแสนนู่นสิที่เราคิดว่าไม่มีมันออกมาทั้งหมดเลยแล้วท่เปิดอกันำัวเองจรับไม่ได้จริงให้เราได้ไงาก็ยอมนำไม่ได้ไปคิดว่าสวันนี้มันจะมีขึ้นมาจริงจะมีขึ้นนาได้อย่างไร ว่ามันเป็นเรื่องธารรมดาของมันอมตามอาจึงพยายามใช้ภาษาบัญญัติภาษาใหม่ที่หนีจากหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ดนีนี่หรอกคือมาบัญญัติเพื่อให้คนได้เข้าใจว่าเป็นลักษณะาการถ่ายเท อ, อารมณ์ของจิตที่มันอยู่ในในมันจะถูกถ่ายเท อ, ออกมาผ่านทางความผิดผ่านทางความรู้สึกผ่านทุกอย่างแต่เราไม่ย้อนให้มันถูกถ่ายเท อ, ออกไม่ให้มันถูกขับถ่าย อ, ออกอาหารที่เรากินลงไปต้องขับถ่ายออกแต่เราไม่ย้อนให้มันออก ประมานะ้นนะมันอยากออกแต่ไม่ได้ออกมันอยากออกแต่เราไม่ท้มันออกเราไม่ยอมรับกับความจริงที่มันจะออกขังมันไว้ขังไว้เนี่ยมันก็เลยเป็นเชื้อแห่งพบในจิตเราอยู่ตลอดเพื่อที่เราจะมันแก้ไขมันอีกเกิดชาติหน้าก็มาแก้ไอ้ตัวนี้อีกยอมรับได้ไหมถ้ายอมรับไม่ได้เกิดชาติใหม่ก็ต้องบัเจออีกแล้วก็ยอมรับมันได้ไหมยางยอมรับไม่ได้เกิดใหม่อีกอย่างถ้ายอมรับไม่ทำไงเรจะนว่าเรายอมรับอะไรมาเกิดขึ้นไหมก็แคงตลอดเพื่อที่ที่ถิ่ด้วยอริยสัจ ให้เห็นว่านี้ทุกนี้เห็นเหตทุกอารมณ์ทั้งหมดได้ชื่อว่าทุกขสัจจ์การที่ไม่ยอมรับอารมณ์ตามความเป็นจริงเรียกว่าธรรมุภัยสัจจ์การยอมรับแล้วเห็นอารมณ์ที่เกิดนั้นดับเรียกว่านิโรธสัจจ์การปฏิบัติต่ออารมณ์ด้วยการรู้จักและยอมรับการปฏิบัติต่อสมมุติทัยด้วยการรู้ละละการปฏิบัติต่อการการเห็นอารมณ์ดับเรียกว่านิโรธธรรมเเจ่งการปฏิบัติอย่างนี้บ่อยบ่อยเรียกว่าเจริญมันจนกว่ามันจะล้างอารมณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ ออกมามันถ่ายเทออกมาจนหมดบางคนไปเห็นแม่กระทั่งอดีตชาติของตัวเองทะลุไปถึงชาติก่อนโน้นบางคนบอกเห็นแม่กระลังตอนตัวเองอยู่ในท้องของแม่อยู่ในท่าไหนโน้นมันเข้าไปขนาดนั้นเลยนะจนตอนอยู่ในท้องตอนก่อนที่มาจุติก่อนที่จะเกิดมาเป็นอันนี้มาเป็นแบบนันย้อนไปย้อนไปย้อนไปเป็นเป็นขนาดขนาดนาดนาดอันนั้นคือจิตละเอียดมากใช่ ละเอียมากไอไอ้เรไม่ต้องถึงขนาดนั้นอยเอาแค่มโผล่ขึ้นมานี่ยอมรับเป็นไงครับผมแล้วเอาอริยสัจเข้าไปอธิบายอธิบายให้รู้ให้เข้าใจต่นนั้นเองพิสานี่ยอมรับหรืไอ้ความมระหารการความปูนี่เก่งเลยอะไรเนี้ยมันมันก็เริ่มแล้วจะทุกปีด้วยทำบางระงทีสิ่งที่เราพูดขึ้นมาบ้าคลองนี่นะคนเขาก็เรายิ้มแย้มแล้วก็เราก็สวนค่ะทำหรือเขาพูดมาแล้วเรสวนไป บางทีมัน น, นั่นคิดหลายหลาเจอสิบยี่สิบครั้งอะตลอดเลยนี้เขาคงสอนทำเราว่าไม่ให้เราเราไกแบบติด ใ, ในติดในความที่เข้ายกย่องเราอ่ะเขาตีนให้เราพองค อ, งองเราพูดให้เข้าไปกคนที่กําลนับถึงเรานี้เนี่ยเขาถอยเลยเขาไปเอาเขาไม่เห็นขเขาไม่มองเราไม่ไหวได้เราแต่เรื่องนี้คือทางที่สอนเราให้รู้ว่าเราอย่าไปวดดีกวดเองวดตนมันมีคนสอนครุงปรุงอยู่อะ ถ้าเป็นนิ้าจิมันคิดเขาอ๋อจิมันคิดรนี้ิหนึ่งอ๋อมัคิดตรงนี้คิดตรงนี้อ๋อแล้วทำไมแปลแปลกแล้วมำไมตัวนที่ไม่รู้ข้อทางถึงต้องหลงตัวเองเป็นใหญ่อยากอยากอยากเป่นอยากล้างกูนี่แน่กูนี่เก่งอะไรเนี่ย๋อถ้คือตรงนี้ถ้ารู้ไม่าทางแล้วมันตัดบทที่เาเห็นนะแล้วก็ยอมรับนะในสิ่งที่เราพิจารณาอันจับสัญญาณที่มากๆพิารณาเห็นก็เนกอ๋ให้เกิดเราให้เกิดให้เกิดชาะผมที่เกิดมาเนี่ยล้วก็ในเรื่องนั้นต้องยอมรับ ไม่ใช่เราไม่เคยทำเราทามานั่นมันเลยต้องยอมแล้วมันต้องก็เลยต้องเสียนผลเ่ยแต่ปากมันเป็นคนตากที่ปากเป็นคนร้ายเป็นคนร้ายมันหนคนปากร้ายอ่ะปากก็ร้ายใจดีเนี่ยควบคุมตัวเองปรับควบคุมตัวเองอยู่เรื่อยๆเขาพูดเข้าใจยังเขาบอกเดี๋ยวก็ว่าคนนั้นเดี๋ยวก็ว่าคนนี้อยู่เหมือนกันแหละปากร้ายอ่ะสวนไปแบบทันทีเลยแบบที่ไม่ได้คิดเลยอาจารย์จาเป็นไรไหมปากร้ายแต่ใจดี คนไปนิยามเสียเลย<ช> <c oughs> คนทคนที่ผถายอารมณ์นี้เจ้าคะ<ช> <c oughs> คนที่ผมก็ถายบนั้นเนาะแต่เป็นการถ่ายเทอารมณ์โดยการมีสติหรือขาสติ <c oughs> ถ้ารู้จักว่า <c oughs> มันมันมันเป็นการเกิดขึ้นของอารมณ์แล้วเรามีสติรับรู้การเกิดขึ้นนั้นแล้วถูกถ่ายเทออกไปแล้วเห็นการดับอนันเรามีสติแต่ถ้าถ่ายออกไปโดยไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มีสติอันนี้อนุสัยนอนเนื่อง <c oughs> เป็นกิเลส กับคารเก็บอารมณ์สองของอย่างมันไม่ได้เป็นปัญหาจะเก็บอารมณ์หรือถ่ายเทอารมณ์มันไม่ได้เป็นปัญหาถ่ายเทอารมณ์จากภายภ า, ายในโดยปล่อยให้มันเกิดบันดับในภายในแล้วว่าเก็บอารมณ์แต่มีสติรู้การเกิดการดับกับถ่ายเทอารมณออกมาในภายนอกเ ข, า, า, ขาเรียกว่าข้างในเขาเรียกว่าฟุง้งข้างนอกเขาเรียกว่าสร้างคือสร้างออกมาทางคาพูดสร้างออกมาทางการกระทำหากมีสติรู้การสร้างออกมาเนี่ย รู้ในขณะทุกครั้งที่มันอารณมณ์มันถ่ายเทออกมารู้เห็นครับฮะ<า>รู้เห็นเชื่อว่าความมันได้ตั้งใจเห็นพอาดสายตาก็ะจะถ่ายเทออกมาถ่ายเทออกมาไม่ตรงกับประเด็นของเราอืม<า>เห็นครับพี่เห็นเห็นแ ต, แต่แต่ปลอยให้อนรุสัยนอนเนื่องเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหากเป็นอย่างนี้เป็นประจาําติดเป็นนิสยัยหยุดตัวเองไม่ได้บกุมตัวเองไม่ได้เป็นอนารมณ์ใส่ไง แต่คนเก็บแต่คนฟุ้งอยู่ข้างในคนเก็บแต่ฟุ้งอยู่ข้างในคนทําออกมาซาดออกมาข้างนอกฟุ้งยังอยู่ข้างในแต่ซาดเนี่ยออกมาข้างนอกนั่นรู้ขึ้นก่อนแต่ถ้าคนได้รับการอบรมนแต่ถ้ามีสติรู้เท่าเท่ากันก็ไม่ได้เป็นปัญหาทั้งภายในและภายนอกแต่ถ้าไม่มีสติรู้เท่าเท่ากันก็เป็นปัญหาทั้งภายในและภายนอก เท่ากันหมดเลยอาจารย์ถ้าให้มันดับเองนี่มันก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะเป็นบางบางอารมณ์หรือเ่าอารก็ดับไปอารมก็ช้าหน่อยใช่ก็ก็เป็นไปตามตามตสิ่งที่มันสรีตของตัวเราถ้ารู้ทันไปก็จะดับไม่ถ้าการอกมันจะสร้างีงเรื่อยระยเวลาการที่ขนาดลูกปูขมสุท่านกอสร้างออกมาแต่ท่านสร้างออกมา ดยการที่ท่านไม่ได้สร้างออกมาด้วยเจตนาด้วยเจตนาของท่านแต่มันสร้างออกมาเพราะเป็นอุปนิสัยติดแล้วมันติดในการที่จะด่าไม่ด่าลูกศิษย์ไม่ได้ขอให้ได้ด่าวันใดไม่ได่าเนี่อยู่ไม่เป็นสูตของปู่มันเหมือนเป็นหน้าที่หรือเปล่าแม่จ๊ะอุปนิใัยอุปนิสัยใช่เป็นนิสัยเหมือนเหมือนที้ภาษาญี่ปุโดดข้ามห้วยเนาะมันเป็นประการหนักมันติดนะมันติดจนเป็นนิสัยแลถ้าปล่อยจนเป็นนิสัยมันจะแก้ไขไม่ได้ ถ้ามาันสานดาลใช่มันจะแฝงเข้าไปในสันดาน ห, ห, หรื อ, รร อ, รอลกูกตาม้าบัวเนี่ยองค์งลกูลกตานี่ยท่านท่านโคตรจนติดติดไปนิสัยไงแต่ท่านมีสตินะไม่ใช่ว่ามีสตินะท่านตัดดับเหตุแห่งความสื่อต่อของครบเลยหมดแล้ว อ, อันนี้ถือเรียกว่าพระรามท่านเจตนาเบตาคือท่ทานดาบผู้ศิษย์อะไรจะเรียกว่าอะไรก็ได้ แต่ก็คือการแสดงออกถึงอารมณ์ที่เป็นนิสัยติดอยู่อย่างนั้นลูกโัดุนทีนี้ไม่เคยพูดนิสัยเก็บดูจิตอย่างเดียวใช่ไหมนิสัยดิ้ดูจิตอย่างเดียวดูจิตเทนอารมณ์ในจิตล้างระบบในจิตล้างล้างอารมณ์ที่ปุ้งอยู่ภายในในจิตเกิดเกิดปักเห็นแต่ดูแต่จิตดูแต่จิตดูแต่จิตนั่นแหละท่านก็เลยไม่เคยพูดพูดน้อยตามมาล่ะบัพูดเยอะเทนเยอะต่างกันค่อุปนิสัยของครูบาอาจารย์แต่ละองค์ อาตมาก็เริ่มพูดเยอะแลเริ่มที่ใส่ไม่ดีแล้วตัวเราตัวโยมก็ตั้งตั้งจิตเอ้าจริงๆการพูดออกมานี่มันสร้างนะ่นี่งรู้ไหมมันสร้างนั่นเองสร้างออกไปสร้างสิยิ่งยิ่งถ้าใครสติไม่ดีนะสติมันจะขาดไปกับการพูดเนี่ยเพราะเคยอยู่กับการสังวรระวังมาตลอดหลวงปู่คำสุขจะด่าอาตมาจะเป็นผู้ยอมรับการผู้ด่าหลวงปู่คำสุขวันไหนไม่ด่า ท่านจะไม่สบายใจอาตมาวันไหนไม่ถูกดา่าก็ไม่สบายใจปป <c oughs> ต้องให้ถูกดา่ามันจะมีพูดหายก็พูดถูกดา่า <c oughs> แต่นน <c oughs> ก่อนนี้ไม่ยอมรับการด่าเข้าใจไหมแต่ก่อนนี้ไม่ยอมรับการด่าถูกด่ามากนอนไม่หลับ <c oughs> มันด่าเราทํำไมระด่าทำไมจินขุ่นบัวแต่ภายหลังมาไอ้ครูปู่ทำไมไม่ด่าวะทำไมไม่ด่าเราวะมันรู้สึกนอนไม่หลับแน่เล้คือถ้าเรายอมรับการถูกด่าได้ มันก็ได้ไงเริ่มหนาะหรืการเํารับที่วราต้อว่านิยมตั้งจิตย่าไม่พูดตามที่ใจมันอยากพูดนะคะโยก็ถ้ามันอยากพูดมาโยก็ดูมันเห็นเกินมันดับแล้วก็รู้สึกว่ามันสบายแล้วมีสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่ารู้จากการควบคุมความสร้างมันดีกว่าคนที่ปล่อยที่สร้างออกไปเพราะมันมีโอกาสในการขาดสติมากกว่าที่จะมีสติ ก็ช่วงก่อนลงนุ่งบ้างเมืนกันรู้สึกว่าเหนื่อยกันจะิตมันเหนื่อยแล้วก็โยนยไม่ตั้งไหนแต่เมื่อวานนี้ก็นะสิ้นแตกไม่ได้ทานข้าวก็ไม่ถึงเวลาอะไรสบายเมื่อคนี้มันลมตีมากแต่พระเจ้าบอกว่าให้คุยกันในความเป็นความเป็น สัพพะมาจารีเพื่อนผู้ปฏิบัติทําด้วยกันให้ให้คุยกันให้ถามไถ่กันให้บอกกล่าวกันแทนเปิดโอกาสต่อกันแล้วกันให้บอกให้สนิทอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุยก็จะคุยในในระดับที่พอพอที่แค่พอพอดีค่ะเอดพอดีมันเกินพอดีพอถ้ามันเกินพอดีคุยสร้างออกไปจนจนจนออกนอกเรื่องไปแล้วนะก็จะเห็นเห็นความไม่สบายในตัวคนฟังก็ลกหูเนี่ยเนาะอะไรเรื่องอะไรอยู่เนี้ย ต้องรู้จักการที่ตัวเองจะพูดนี่ก็เหมือนการเหตุออกไปเยอะนี่มันจะซ้ําแต่เรื่องเก่าๆเดี๋ยวก็ลบหมุกันไปเปล่าๆนะั่นเหตุเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบพูดมากๆกก็ได้มาพูดมากๆมารุ่นเป็นอะไรนะนี่ยไม่ได้ชอบพูดกับใครเท่าไหร่นี่นี่ที่บาเนี่ยที่บาจะได้เป็นอาจารย์คนอยากเป็นพูดเก่งๆอ้างค่ะเนี่ยยังจะมาหาบ้าแต่มาพูดเก่งพูดเก่งที่ไหน นี่ไม่ได้พูดเก่งอะไรเลยนะเนี่ยประระวังนะระวังนะระวังอย่าเนี่ยบางคนบคนไปเห็นครูบาอาจารย์มาท่านอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยอู้ยอยากไปบั่งท่านนไม่คิดเลยว่าท่านสร้างบาอมีนานไหนเปิดใจเยนะเราจะสร้างต่าราจะท่างไม่นนตายก่อนมั้งทไมเออมันสร้างไม่เหมือนกันมันปัญหาเยอะมากเลยนะการที่จะมาพูดให้คนเข้าใจข้อธรรมแต่ละข้อทรร เพราะว่าเราต้องมันต้องเกิดใช้ความระแวดระวังในการที่จะรักษาเนื้อหาในสิ่งที่เราพูดไปอย่าให้หนีจากหลักคําสอนของพุทธเจ้าแต่พ่อไปอ่านในคุถพจน์เนเรื่องราวในพระไตรปิฎกก็หลายอย่างที่พระอรหันต์หลายรูปท่านกบดีพูดเอาวิธีของพระุทธเจ้ามาทั้งหมดก็มีนี่ mm hmm. ก็ยังสามารถสอนคนให้บรรลุธรรมได้ใช้วิธีของตนเองก็มีใช่ไหมมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเข้ากันหรือไม่เข้ากันเหมือนกับ เรื่องที่ภิสูจโบทีระที่จบทรงพระไตรปิฎกแต่ยังไม่บรรลุธรรมไปเรียนกับเนนเนนเนนนีน่นไ่ไดเราคําสอนพุทธยอามาสอนนะเพราะอะไรก็รามันรู้หมดแล้วเอามาสอนทําไมเ<อ>้าาไม่สอนทำที่เขารู้แล้วเนี่ยมันจะยอมรับไหมล่ะต้องสอนอันที่เขาไม่รู้คือเอาอุบายทำที่ตัวเองรู้มาม า, มาใช้เป็นอุบายสอนอคือใช้ใช้เทคนิคของตัวเองสอนเหมือนการอาตมาก็พยายามจะใช้วิธีการเนี้ยใช้เทคนิคที่ตัวเองได้ได้ปฏิบัติมา แล้วมาบัญญัติภาษาพเพื่อสื่อสารให้เราได้ไปเข้าใจหลักคําสอนของผู้ทีเจ้าอีกทีหนึ่งให้เข้าใจอย่างนั้นบงคนมาฟังบมาจับนี่ไม่เข้ากับคําสอนผู้เจ้าผู้เจ้าไม่ได้ตัดอย่างนี้ก็มันเป็นอุบายส่วนตัวมันเป็นคําบัญญัติที่นํามาสอ น, สนตัวตัวนะเช่น<อ>การไายเทอารมณ์ของจิตนี่อาตมาก็หาคําพูดบัญญัติมาเพื่อใช้อธิบายเรื่องที่เป็นอย่างเงี้ยให้เข้าใจ รู้หมดแล้วฮะพูดได้รู้หมดที่ไหนผู <c oughs> ่รู้หมดมีพื่อเจ้าพระองค์เดียว <c oughs> นนไม่รู้ไม่รู้หมดรู้เฉพาะเรื่องของตัวเอง <c oughs> รู้แล้วจิตได้มาพูดได้ไม่รู้ความจริรรมะตรงนี้ถ้าถ้าไม่รู้ามาสอกนก็นบอกไม่ได้บอกไม่ไนะด้ไม่เพราะมันเป็น <c oughs> ความจริง <c oughs> ที่ประจักษ์ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วผลต้องผ่านความจริงชนิดนี้แล้วจิตรวบรวมจะเป็นอย่างนี้ต้องผ่านตรงนี้ถ้าไม่ผ่านตรงนี้ก็ครบไม่ได้ต้องผ่าน ถึงจะสามารถรู้ความจริงได้ถ้าเขาไม่รู้ควาว่าบ้านบ้านสร้าเติมหรออะไใช่สติแตกเลยนะะแต่ไปไปเลยเลยไม่พูดให้ถ้าใครปฏิบัติมาถึงจุดนี้แล้วถูกแล้วถ้าปฏิบัติถูกนะถึงเจอแบบนี้ถ้าปฏิบัติผิดจะไม่เจอแบบนี้ครับจะไม่เกิดแบบนี้ขอแสดงว่าคนที่จะได้มรรคผล คนนี้ต้องการเอกตัวใช่ตัวที่มันรองสานาในจิตที่มันแสดงออกมาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเป็นชาเป็นชาเป็นชาจนเรายอมรับตัวเองไม่ได้เลยจะรอดจริงหรอบางทีแก่บางคนจะไม่เหมือนกันบังข่ายใ่ยังไงมาถ้าไปเจอครูบาอาจารย์อื่นเขาก็บอกให้ไปทําสงบเออถ้าเป็นสงบก็อะไรนี้สงบกันไว้จบกันไว้ มันกำลังมันกาลังล้างระบบจิตอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรอีกนั่นคือการล้างระบบจิตไม่รู้เรื่องอะกระทอมเหมือมันไม่มีคูบานอ่ะเอาถ้าเันจียร้อยังไม่ถึง่มันไม่ถึงีจะไปเจออีกแบบนึงต่อไปนะแต่ต้ามาถูกกระตุ้นจากต้อปูโอ้โหไอตัวที่มันอยู่ในในทุงเอาออกมาหมดเลยต้อูปูความสุขกระทุงออกมาดีที่ยังมีปัญญาเรียนรู้มันอยู่ ถ้าไม่มีปัญญาเรียนรู้มันลอไปไหนต่อไหนแล้วก็ไม่รู้เพราะมันโดนกนระทุ้มทุกวันอันตัวไหนไม่เคยออกก็ออกไอตัวไม่เคยบน่นก็บ่นไอตัวไม่เคยน้อยใจก็น้อยใจอไอตัวที่ไม่เคยรู้สึกปฏิฆะกับครูบาอาจารย์นก็มันก็ออกมาเหมือนกับคิดในด้านลบกับครูบาอาจารย์เสียความเคารพกับท่านทั้าะท่นไดอยู่กับท่านมันออกมาบ่นเลยเรื่องราวต่างๆในจิตเพราะมันถูกกระทุ้มออกมา แต่ตอนนั้นดีที่ว่ามีปัญญามีสติกำหนดรู้การเกิดการดับและรู้อริยสัจสี่เอาอริยสัจสเข้าไปอธิบายเป็นาำความเข้าใจีทุกนี้เห็นให้เกิดทุกเพราะมันเป็นทุกนี่แหละคุูที่สอนจรงสอนให้มันปฏิบัติให้รู้ให้เข้าใจให้ยอมรับให้ยอมรับความจริงที่เกิดจากจิตมันเกิดทางความคิดก็จริงอยู่แต่หากเรายึดความคิดว่าเป็นเราไอ้สิ่งที่มันเกิดมากับความคิดมันก็ถูกยึดไปเพระนั่นเป็นความหลงผิดของเราเองต่างหา เราไม่ได้รู้ว่าอารมณ์เกิดขึ้นมาธรรมดาแล้วก็ผ่านไปเป็นธรรมดามันไม่ได้มีความยึดว่าเป็นเราเพราะเราไปยึดในขันทั้งหมดว่าเป็นตัวเองสิ่งที่มันหมักดองสัดันผุดโผล่ขึ้นมาโดยอาศัยขันมันจึงถูกยึดไปพร้อว่าเป็นตนไปอ้อไปพร้อมแล้วไม่ยอมรับอันที่มันไม่ดีในตัวเองเนี่ยปฏิเสธเนี่ยไม่ยอมรับตัวเนี่ยมันเลยเกิดปัญหาไม่ยอมรับความจริง ก็มันเกิดกับตัวเรามันกิตเราแท้ๆไม่ยอมรับเมื่อไม่ยอมรับอาการที่เกิดกับกิตตัวเองก็คือไม่ยอมรับตัวเองเมื่อไม่ยอมรับตัวเองแล้วก็ยังอยู่กับตัวเราอยู่ตลอดมันยังอยู่กับตัวเราแล้วเราไม่ยอมรับสิ่งที่อยู่กับเราเนี่ย <1> 1> มันก็จะเกิดขัดแย้งในภายในตัวเอง <Okay. S 1> พอขัดแย้งในภายในตัวเองมันก็จะหนีออกจากความจริงไปทั้งหมดเลยเพราะนั่นคือความจริงเราเพราะมันเกิดอิจฉาเราเออเออมันชอาอิจฉาแต่พอไม่อิจฉานี่นะคือการยอมรับหรือว่าเออมันอิจฉา แต่และเร า, า, ราเก็ิจาในคนี่วนตัวนี่นะมันไม่ความอิจฉ<ร> า, เ, า, าเป็นทุนนกข์สัจจ์ <c oughs> มันเป็นทุกข์เหตุแห่งความอิจฉาเป็นทุกขสัจจาการที่เราไม่รู้จักาอามณ์ีกำัอิจฉาอยู่ในเวลานี้ เ, เป็นสมุทัยสัจจ์เราแก้จ้วไม่อยากให้จิตมันมีอิจฉาให้มันให้มันดับไปถ้าเราไปไปแก้จิตไม่ให้อยากมีความอิจฉาคือเราไปเปลี่ยนสัจจ์นั้นให้เป็นอย่างอื่นอารโมทนาฮะอารมโมทนาี่กขทำเ ได้อนั้นแค่เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์แต่การเห็นอารมณ์คือไม่ต้องเปลี่ยนอารมณ์แต่เห็นอารมณ์นั้นดับด้วยว่าแล้วพขไปทักมันนี่คือความอิจฉาพวอิจฉากําลังเกิดขึ้นกับเราเข้าไปทักพอทักปุ๊บเห็นอารมณ์ดับแล้วมาแสดงอนุโมทนาในภายหลังด้วยจิตที่เป็นอนุโมทนาจริงได้ใช่ชมท่านอย่านี้อาหลังเล่าให้ว่าพนี้ไม่ดีนะเพราะว่ามันเป็นเหตุแห่งทุกข์และสร้างบาปสร้างกรรให้ตัวเองไปอีกเยอะก็เลยดูมานานขนาดนี้ก็ ปาไม่พออันนี้ปก็เปลี่ยนมาเป็นการมโนทนาสาธุสาธุเลยต้องหัดเปลี่ยนหักเปลี่ยนมาทน่โมทนาแท้โมทนามุกทีตาโมทนามุกที่ตาอันเดียวกันอยู่ในหลักของโภคภิหารปรมัญญายังมันยังก็ถึงแม้แต่อยู่ในชั้นของโภมภิหารยังไม่เข้าถึงอริยมรรคก็ยังมีสงบไปก่อน จากนั้นค่อยๆเข้าสู่อริยมรรคคือโยงเข้าสู่อริยสัจโยงเข้าสู่อริยสัจว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้เป็นพวกสัจจกา ร, ร, ร, รการที่เราไม่รู้จักอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตามความเป็นจริงเป็นสมุติทัยสัจจการแล้วก็การที่ไม่เห็นอารมณ์เกิดขึ้นด้วยตัวของอารมณ์ไม่เห็นอารมณ์ดับไปด้วยตัวของอารมณ์เองเรียวป้าไม่รู้จักนิโรธเราก็จะเข้าใจถ้าเราจริงๆนะถ้าเราเข้าไปทักเข้าไปรู้เนี่ยมันจะดับ ดับโดยไม่ต้องไปเปลี่ยนอารมณ์ดื้อไม่ต้องหาอะไ ร, รอื่นมาแก้แต่ตอนที่เรายังควบคุมมันไม่ได้เอามุทิตาหรือโมธนามาแก้ได้ไปก่อนพังๆทำไปพังๆจนกว่าเราสามารถเอาอาริยสัจเข้าไปอธิบายในขนาดแห่งอารมณ์นั้นที่เกิดได้คือประมวลอริยสัจลงสู่อารมณ์หรือจัดอารมณ์นั้นลงสู่ขันให้ได้ว่ามันเป็นขันไหนหรือบางคนบอกว่า จัดอารมณ์ทั้งหมดลงสู่ขันไม่ได้ว่าเป็นขันไหนแล้วทักไม่ถูกว่าเป็นขันอะไรก็ให้รู้เลยว่าการเกิดขึ้นอารมณ์ทั้งหมดคือการเกิดขึ้นของขันจะเป็นขันไหนก็ตามก็อยู่ในขันห้านี่แหละก็เป็นการเกิดขึ้นของขันการดับไปทั้งหมดของอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ก็เป็นการดับไปของขันเพราะฉะนั้นอารมณ์ใดก็ตามแม้เราจัดลงขันไม่ถูกเราก็ทักเลยว่านี่คือขันห้าเกิดขึ้นนี่คือขันตั้งอยู่นี่คือขันดับไปนี่คือการทํางานของขันนี่คือระบบของขันนี่คือเรื่องราวของขัน ขันเกิดขึ้นขันทั้งอยู่ขันกลับไปขันเกิดขึ้นขันตั้งอยู่ขันกลับไปการทักอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ shorter, มันจะทําให้เราแยกออกจากความเป็นขันกับเราออกจากกันเพราะมันมีผู้ทักอยู่การทักทักอารมณ์เนี่ยแต่และอารมณ์ทั้งหมดว่าคือขันมันจะแยกแยกบ่อยทักมากเข้ามันจะแยกมากเข้ามากเข้ามากเข้ามากเข้ า, า, ขาจนขาดออกจากกันสะ บ, บั้นด้วยอริยมรรคแล้วมันจะไม่ต่อกันอีกใช่ เราไม่ยอมรับเนาะใช่ไม่ยอมนี่ก็เยอะนี่ก็เยอะมันก็เยอะเยอะพอๆกันนะเพียงแต่มันยังไม่โผล่ขึ้นมาให้เห็นเท่านั้นเองคนที่โผล่ขึ้นมาที่เห็นแล้วผ่านได้แล้วก็ก็ดีไปไม่หลงลืมสภาวะนั้นปฏิบัติต่อมันถูกแล้วทุกดวงจิตดวงใจเลวมาด้วยกันนั้นนี่ก็มันเห็นความเลวในตัวเองไงถึงพูดได้ว่าเลวมาด้วยกันนั้นจำไว้ไม่มีใครดีหรอกในโลกเนี่ยจริง มาดีตอนที่รู้จักสัจจ า, า น, นั่นแหละนาน่นะดีแล้วอันนราพุทธเจ้าเราก็ผ่านพวกผานชาติมาแบบหรอใช่ไหมขับเที่ยวกับเทวทัตมาจนตามจองร่างจองผ่านจันไม่มีทันสิ้นสุดแม้ในชาติสุดท้ายกป็เทวทัตยังต้อง <c oughs> ตามมาจองร่างจองผ่านพุทธองค์จะได้ว่าพุทองค์ก็เคยทําอะไรกับเทวทัตแบบนัหทวงมากเหมือนกันนะมันพอดีกันนั่นแหละว่าจะไปบอกว่าเทวทัตเลว็เวเทวทัตเร็ว ก็ถ้ามันไม่เลีวพอกันก็มาแก่ยกก็มาเกี่ยกันกันไม่ได้แต่ในชาติสุดท้ายพระริเจาไม่ได้เล็วไงกในชาติสุดท้ายนั้นโอ้พระองค์เป็นสุดยอดไงเป็นผู้บริสุทธิ์สูงสุดแต่อันนี้เราพูดถึงสิ่งที่ร่วมไปแล้วมันมีวิถีที่อันนี้กันมาเพียงพอต่อการที่จะมากลัวก่อพวนกันคืนมันก็คือเคยเล็วมาด้วยกันนะเขาจะยาง มันไม่มีใครดีได้ตลอดทุกภพทุกชาติคนดีจึงไม่ได้มีอยู่จริงไงมีเพียงแค่ดีขนาดนึงขนาดต่อไปก็ไม่ดีเท่านั้นแหละใช่แต่ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแน่นอนนี้เป็นสัจจ์คนดีไม่มีอยู่จริงแตจริงๆริก็เนี่ยจริงจก็คนดีไม่มีมันไม่มีหรอกเขินใจหนหน่อย กระเทือนใจหน่อยดีชั่วขนาดีดีชั่วขนาดหนึ่งเรกว่าเราเป็นคนดีอะค่ะนึกว่าเป็นคนดีไปซะแล้วโอคนที่เข้าวัดเข้ามานึกว่าจะเป็นคนดีที่แท้เราไม่ได้ดีอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ตอนเข้าวัดก็พอดีอยู่หรอพอไอย่างวัด้เป็นยังไงรักของไปในรักของใครต้องมีตะันนันนแหละคือว่าอย่า้อยอยู่ตอนหน้าาดูเหมือนเป็นคนดีนะอะไรก็ดีอยู่นะพอออกไปนอกวัดแล้วเสร็ เสียท่าเร็วบริสุสุดเร็วบรรจุสุดแต่ทั้งดีทั้งเร็วไม่ได้มีความเสียหายอะไรเข้าใจไหมเพราะอะไรเพราะทําดีก็จะได้ดีทําเร็วก็จะได้เร็วแค่นั้นเหละมันไม่ได้มีความเสียหายอะไรทําอะไรได้แค่นั้นบองดอกมัวเกิในโคนตรงขพะนั้นดีมันต้องเกิดจากเร็วก่อนถ้าก็ได้แต่มันไม่ดีเกิดขึ้นมันต้องเร็วก็ มันไม่มีอะไรกอดไม่มีอะไรหลามเพราะโดยธรรมชาติที่แท้จริงมันไม่มีดีและไม่มีเลวดินดินเนี่ยปฐบีธาตุธาตุดินเนี่ยไม่ได้มีดีหรือเลวในตัวเข้ามานน้ําก็ไม่ได้มีดีหรือเลวในตัวเข้ามันไฟก็ไม่ได้มีดีหรือเลวในตัวเข้ามาลมก็ไม่ได้มีดีหรือเลวในตัวเข้ามาเพราะตัวของหลักธรรมชาติที่แท้เนี่ยมันมันไม่ใช่ดีไม่ใช่เลวไม่ใช่อุณศนไม่ใช่อคุณศน พอเข้าใจไหมมันไม่ได้มีหรอกพูดยังไงแบบความดีไม่ได้มีอยู่จริงความเร็วก็ไม่ได้มีอยู่จริงแต่ความดีความเร็วมันเกิดขึ้นเพราะอะไรคนละกำหนดเอาเองใช่เพราะความไม่รู้ไม่รู้แล้วอะไรที่กำหนดหมายว่าทำแล้วดีอันนั้นเป็นกุศลธรรมอะไรที่ถูกกาหนดหมาว่าทําแล้วนํามาซึ่งความเดือดร้อนในภายหลังอันนั้นถูกกาหนดว่าไม่ดีคือเรียกเป็นความเร็วก็แค่นั้นเองแสดงว่า สิ่งที่จะดีหรือเลวนํามาสู่การการทําของบุคคลผู้ได้ลงมือการทําลงไปนะนะั่นน่ะเป็นเรื่องที่พงศ์พยายามสอนให้เราได้ยอมรับสิ่งที่เรากาลังทำลงไปโดยไม่ต้องไปปฏิเสธมันทั้งดีและเลวถ้าเรายอมรับเลวไม่ได้แบบนี้แหละทีน่นี่ยอมรับไม่ได้ก็ <laughs> จะเอาดีไปปิดไป <laughs> <laughs> เ, เห็นไหมหัวฟังเลวไหมพรา ด, ดีก็เป็นสัจจ์เลวก็เป็นสัจจ์นะแต่ ผลของมันต่างกันดีให้ผลคือความสุขเร็วให้ผลคือความทุกข์ต่างกันแค่นั้นเองผลอะไรถึมัได้เนาะผลของมันต่างกันเราสามารถยอมรับผลทั้งสองประกาศได้ไหมถ้าเราทําลงไปแล้วหรือเราบอกว่าเราไม่ยอมรับเร็วไม่ยอมรับยังไงก็ตามเมื่อทําลงไปแล้วก็ต้องได้หรือเราไม่ยอมรับดีเมื่อทําดีลงไปแล้วก็ต้องได้มันได้อยากจะได้ดีแต่ไม่ยอมทําดีจะได้ไหมไม่ได้ ไม่อยากจะเจอความผิดแต่ทําความผิดไว้อยู่ตลอ ด, อไไดหลีกเลี่ยงได้ไหมก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพมัะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนว่าทําดีได้ผลดีทําไม่ดีได้ผลไม่ดีเมื่อผลทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้นนั่นคือเป็นผลมาจากมาจากเหตุแห่งการกระทาของเราไม่ใช่ของใครต้องยอมรับมันให้ได้ทั้งสองฝา่ายทั้งสองส่วนการยอมรับได้ทั้งสองส่วนนี้มันจะทําให้เรามีสติปัญญาอยู่เหนือทันดีได้เล็วไม่เอาเลยไม่เนีเ ใช่พระเจ้าไม่ได้เอาความเร็วมาทําร้ายไข่พระเจ้าไม่ได้ไปบอกองค์ุลิมาว่ามึงเร็วมึงมึงทําไมไม่หยุดฆ่าคนพระเจ้าไคได้ว่าองคุลิมาเร็วเนี่ยถ้าถ้าถ้าถ้าสมมติมีคนสมมติรู้ใจเองว่าเร็วแบบเร็วก็บอกเออคุณเร็วนะคุณก็ทําตามที่จิตมันคิดได้ทําไงนะ ก็ต้องยอมรับผลเลวของตัวเองต่อไปก็ต้องต้องยอมรับผลต้องต้องยอมรับผลเลวของตัวเองไอ้คนที่บอกว่ากูอยากจะทำอะไรก็ได้ตามใจกูก็ได้ก็จริงแต่ต้องยอมรับผลที่กระทำลงไปแล้วมีเสียงตอบมีสิ่งที่ตอบกลับมาจากการกระทำของตัวเองต้องยอมรับให้ได้ถ้าเขาว่ามันเลวมึงก็ต้องยอมรับคำว่าที่เขาว่าตัวเองเลวให้ได้เหรอใช่ไหมอหนังสัมมาดู ไอ้วุนที่มันจะตรวจเขาไปองนี้เรื่อบอค่ะใช่อะไรก็ได้ไม่ไม่ต้องตอบด้วยคำใช่เพราะว่าคนอื่นเขาก็เกิดตรงนี้าไม่ชอบเราอีกนี้เรื่อบอ่กมันก็จะเป็นการขยายไปของจากจุดที่เราพูดแค่นี้มันก็ขยายไปสู่คนกลุ่มอื่นกลุ่มนนกลุ่มไปเรื่อยก็จะเป็นในเรอีกเขาไปกันอยู่หาอยุติไม่้ มันคุยในยมพิณมาให้เราเห็นจิตเราไปที่พบที่เขาทำให้ศัยศาสตร์อ่ะคืแ่ที่เคยรัชกรลต่างๆแสดงว่าเราเคยเกี่ยวข้องหลายนันมาก่อนเเกี่ยวข้องเคยเกี่ยวข้องเนาะเกี่ยวข้องกับศสยศาสตร์เนี่ยนะให้เราเกี่ยวไปเจปพวกที่ที่เขาลงทำเแี่ยเราก็เคยเกี่ยวข้องเน่ยงั้นเขาไม่อยู่ไปอย่างนั้นใช่ยมมันจะ ยังคิดอยูเองทาไมเราต้องเป็นอย่างนี้บางทีซื้อของหยู่กาลังจะซื้อที่บางๆคนพอซื้อลงมันจะซื้อน่ะเดี๋ยวคนก็จะมาซื้อซื้อซื้อแทบคือคนจะมาลุ่มเนี่ยแล้วก็เกิดความมุดงิดขึ้นมามุดงิดเนี่ยมันจะเป็นผู้ครั้งเลยนอ่ะมาครั้งหน้าอยู่นี่กำลังซื้ออยู่พอกําลังจะจ่ายเงินเอาแป้งร้อยยื่นก็มีคนมาซื้อซื้อซื้อตา แมค้มันกระมวลจะสนใจคนอื่นเราก็มัวจุงหิบใจเขาก็บอกว่าพอเสร็จแล้วเขก็ถามว่าเงินเอาแบงอะไรให้ก็บอกเขาแบงค์ไว้พิถีพิือนเขาก็เถียงว่าของเขาก็เถียงแล้วมันมีผู้ชายอยู่คนนึงเขาพูดเป็นภาษาอะไรไม่รู้่ะแต่เมียเขาก็พูดภาษาไทยแต่ผู้ชายคนนั้นมาพูดเป็นภาษาอะไรเขาก็ไม่รู้เราก็เอ๊ะทาไมเต้องมาซื้อเอาตัวนี้เราพูดภาษาอะไรก็ไปจบทักที โดนคเลยรุกลงหนีหางๆดูแล้วเกิดอาการนี่อยากจะทีอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอาการที่เอ๊ะกระโดอาลนเป็นผลกรรมที่ไม่ดีที่เราเคยแย่งซื้อเข้ามาแต่ผ่อนๆนู่นเออมันเลยถูกเบียดเราไปแย่งซื้อเข้าเหมือนกันใช่ไปทํากลับมาแต่ผ่อนคิดง่ายๆอย่างนี้จะได้ไม่ต้องเป็นบุญบิณอ่ามันบุญบิณฑ์เขาเวลาเขาไม่ซื้อเขาไม่ม่มาซื้ออะไรเงี้ยค่ะ ทุกครั้งไปจะต้องเป็นอย่างนี้จะ<ช>ไปบ<ช>้างไปเลยผมว่าแต่แล้วว่าเราเคยทำคำํากรรมชนิดนี้ไหมจึงได้รับผลอย่างนี้มาอ๋อไปเบียดแย่งซื้อของขึ้นบนมา ก, ก่อนค่ะข้างหลังนี่ยมมันก็ชอบมันชอบให้ใครมาอยู่ข้างหลังปุ้มข้างหลังเยอะๆเพราะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งยมก็เลือกซื้อของเนี่ยค่ะแต่แล้วเสร็จแล้วก็มีคนมาหุ้มแล้วก็จอกแชกแจ๊กข้างหลังมันก็รู้ว่ากำลัง เพราะประเงินไปอยากตั้งกันนั่นมามันก็เลยไม่ชอบที่ใครจะมามาหุ้ซื้ออย่างเงี้ยคือชอบซื้อของตอนบ้างอย่างนี้แล้วมันจะต้องโมโหทุกครั้งไปเวลาไปซื้อของก็เลยไม่ยอมรับว่าแต่ก็มองมองว่าเอ๊ะทำไม่ต้องทำไมต้องโมหอย่างเงี้ยก็เลยอ๋อเพิฟังว่าคือไม่ยอมรับอารมณ์ ไมยอมรัอารมณ์ที่ว่านิสัยจริงๆใช่นิสัยจริงๆของเรานั่ยแหละมันอยู่ในนะมันโผล่ขึ้นมาให้เห็นแล้วดีแล้วที่เราได้เห็นเนี่ยมันซ่อนอยู่ในจิตเรามาตั้งนานเลนถูกกระทุกออกมาจากสิ่งนี้จากขั้สากชนิดนี้ดีแล้วเราจะได้เห็นแล้วเอาอริยสัจเข้าไปอธิบายเลยรตอนนั้นนี่นี่คือทุกนี่คือเหตุที่เกิดทุกนี่คือความดับไปลงทุกนี่คือทางที่จะปฏิบัติต่อทุกที่จะดับทุกได้ อยู่มั้ยเราก็เจริญมากได้ตลอดทีนี้ค่ขณะที่มันผาดสารอยู่นั่นน่ะมันก็จะก็จะเจริญมาอยู่ในนั้นไม่อยันจะต้องไปอยู่ในป่าเลยก็เลยก็เลยว่าอ๋อมีใส่ดีไม่ดีบรรลุตอนที่อยู่ในห้างดีไหนมีสักวิธโผล่ขึ้นมาแต่เราไม่ยอมรับมันหงุดหงิดแต่ไม่โทษมันสิไปเพ่งเพงภายนอกเพงภายนอกอาสาหะก็จะเจริญ จะไปโทษ่าแอบหอนี่ต้องมีคาถาอะไรพู ด, ด่าตากอย่างนี้ยอกลับพี่นนี้ซื้อแล้ว ม, ม, นะ ม, มีคนมาซื้อเ น, น, <c oughs> น, นอยู่มคุณชอบท่นี้ทีค้านะเซื้อจะมีคนมาซื้อตามเนี่ยที่เป็นไม่อายใหก็แต่บาคน <c oughs> หลากไลฟ์ความคิดนอความ ค, าคิดก็ต่างกันก็ <c oughs> มไม่เป็นไลค์แต่ไม่ค่ะเพราะเขชอบแบเออ ใชยังไม่ซื้อายม่ใช่นี่ก็โดนประจำแหละนี่ประจำกคนไม่มีลูกค้าเลยพอเข้าไปซื้อกเในจเองลกมาบ่อยนะไม่เขาได้ขอไมคะไม่ค้าเขาซื้เยอะนะโ้โหีลยนชมให้เงี้ยลูกค้าเข้ามาถ้าเราซื้อที่ไหนแล้วเดี๋ยวพวกมคนซื้อมาแต่ยังไม่ยงแต่เราไม่ชอบมุมตรงนี้แหละนี่ความคิดไม่ดีเออ เขาเดี๋ยวโอ้ยายมาขายงได้ขายดีอะไรอย่างนี้แต่บางทีก็ถ้าพูดว่าถ้าพูดคำหนึ่งบอกโอ้ขายได้สองสัมพกนมาคนนี้มาเดือนไม่ขายขายได้สองเนี่ตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนอันหรือเปล่ารืออันเดียวกันเดิมเปลี่ยนเปลี่ยนี่ห้อใช่มเปลี่ยน่ากนะนะลดลงหมดหรือยังที่จะถาม ต้องเข้าใจหน้าหนึ่งที่คุยกันมาวันนี้จิตเดิมแค่ในทางภูมุทัศนาไม่มีสองวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณเป็นเพียงแค่เจตสิกที่พวงแต่งจิตที่ประกอบกับจิตสามนิพพานเป็นอสังขาะาโดยส่วนเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นอสังขารนอกจากนิพพานนอกนั้นเป็นสังข า, าหมด กิจเพงตกอยู่ภายใต้สังขาอธรรมไม่ได้อยู่เป็นอสังขาะโดดแบบเป็นเอกเทศไม่ดี c ธรรมชาติกิตผองใสจริงแต่ไม่ได้มีผองใสแบบเป็นอาตาัตขารห้าอะไรไสีผ่องใสจริงสรุปไงตอนนี้ เรื่องอะไรที่เราคุยกันเนี่ยเรื่อง เ, อเรื่องเรื่องนิพพานนิพพานที่ดับรอบแล้วการสื่อต่อของจิตเข้านิพพานไม่มีไม่มีการสื่อต่อเข้าจิตจะดับเมื่อถึงนิพพานแล้วจิตจะรับนิพพ า, านไม่มีใจรับอีกนินหนึ่งพอถ้าจิตเข้านิพพานจิตซึ่งเป็นสังขาตรเข้าไปในนิพพานไม่ได้ แล้วอะไรข้อนี้ความนี่อาจอาจารย์นี่แหละแล้วเช้าให้ได้เอาให้มีตัวตนเข้าให้ได้เอาให้มีตัวตนให้ได้มันก็ผิดไปแล้วไอนี่นอกเขาเรียกว่าพระเจ้าบอกว่าล่วงเลยต่อล่วงเลยต่อการถามการรู้กันเลยเลยคือทําตัวนี้ให้มันได้ก่อนไอ้นี่มเป็นปัจจิตังอ่าปัจจิตังอย่างนั้นอะไรอีกเกินตางตน แค่นี้แหละที่เป็นสาระในวันนี้พอจะได้สาระกันอยู่นะเยอะอยู่เลยวันนี้เยอะๆโองั้นก็ขอสมควรแล้วมั้งเดี๋ยวขออะไรพอเอาอะไรเป็นกองทุนมังมีสมองใช้แป้งตัดน้ำเก่าปเจสีเดชสงนะปิดนะอ๋ออะไรมีความสุขความเจริญเนอทุกท่านที่รับชมรับฟัง สาธุสาธุสาธุ